ให้ให้นั่งลมให้ย่อให้หมอบไม่ใช่หมอบให้ย่อสอนควันช้างที่สอนช้างให้ทําอะไรฝึกช้างให้ทําอะไรำหลายอย่า ง, างและช้างก็ทําได้ดีสร้านก็เลยเกิดเกิดกําลังใจหรือเกิดง่ายคิดว่าขนาดช้างเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ยังฝึกได้ณภาษาอะไรกับเราซึ่งมีจิตใจทําไมจะ รับพราสชาวซุเปนมนุษย์ที่มีจิตใจทําไมจะฝึกไม่ไดนะ้ท่านก็เกิดความเพียรแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วก็มีอ่าตหนึ่งท่านเห็นท่านก็ชอบท่านในการปฏิบัตินะแล้วก็เห็นก็จะเป็นควายตกลมแล้วมันตกลมนี่นะมันไม่ยอมนะมันพยายามที่จะตะกุยตะกายขึ้นมาให้ได้ มันขึ้นยากนะแต่มันก็ไม่ยอมไม่ท้อขึ้นนั่นแหละพยายามตะกุยตะกายท่านเห็นแรกท่านก็สะท้อนใจว่า น, านี่ขนาดสัตว์เดรัจฉานนี่มันยังไม่ยอมแพ้เลยถ้าเราเป็นม น, นุษย์จะยอมแพ้ได้งไงใช่ไหมนีม่ใครดจแง่ที่อย่างอางื่ออออนไหมฮะเป็นยังไงบ้าง แปลว่าถ้าไม่อยากเป็นควายในพบหน้าก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมไม่อยากเป็นควายในพบหน้าก็ต้องต้องทำความเพียรสร้างมูลช่างุศลมีอะไรไหมแง่คิดอ่ะอ่าเชิญ แล้วมันให้ไงคิดกับเราอย่างไงบ้างกลัวเกิดเหตุสัตย์เดชะอะกลัวอันนั้นคือข้างหน้าคือพบหน้าแต่พบเนี่ยตอนที่จะเป็นคนน่มันให้ไงคิดกับเราบ้างในเมื่อเรารู้ว่าสัตเดชะเนี่ยมันไม่อิสระ จหมอบแบบนี้ไดหว่าควายเนี่ยมันก็ไม่เป็นอิสระเพราะมันถูกมนุษย์จูงไปจูงมาเราเองเนี่ยถ้ า, ากว่าถูกกิเลส จ, จูงเราก็ไม่อิสระเหมือนกันเร า, เร า, อ, ยาอย่าอย่าประมาทว่าเราอิสระนะเพราะว่าตอนนี้เราจะโดนโดนกิเลสมันจูงก็ได้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่รู้ตัวความมันยังรู้แล้วว่ามันไม่เป็นสระนะไอเราเนี่ยไม่เป็นศาสร์และไม่รู้ตัวนะใช่ไหม ก็ได้นะว่าเนี่ยควายนี upstairs, hmm. لا, Without, ่มันยังเห็นนะสายที่จูมันนะแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่เป็นอิสระนะดำไม่เห็นนะมันเชแยกกับควายนะคือเราไม่รู้ว่าเราไม่เป็นอิสระเราโดนกีเลยาจูใช่ไหมคือชารู้ว่ารู้ว่าเป็นรู้ว่าเป็นเป็นทอดเป็นนะเป็นรู้ว่าเป็นเป็นธาตนยังดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นธาตุนะยังเคื่อเป็นไทยเนี่ยนะ แล้วถามตัวออเองว่าแล้วจริงๆนี่เราเป็นสะมาหมือเเราเป็นไทยกับตัวหรือยังหรือว่าเรายังโดนกิเลสกิเลสสมานเนี่ยลากรู่ถูกลังเราไปใช่ไหมบางทีกิเลสเนี่ยมันก็มันก็อยู่ในใจตลอดเวลานะเวลาโกรธเนี่ยกิเลสก็คล่องกำจ่ายกิเลสมันสั่งให้ด่าก็ดา่าใช่ไหมเวลาเกิดความโกรธเนี่ยนะมันสั่งให้ด่าแล้วก็ดาก่ดาใช่ไหมอย่างนี้เราเรียกว่าเราเป็นไทยกับตัวไหม ใช ม, มันอยากให้ขโมยแล้วก็ขโมยอยากให้มันอยากให้เราดินชาแล้วก็ดินชาอิกชาตาร้อนเนี่ยนะก็มองแบบนี้ก็ได้นะมองเพื่อคือมองเพื่อมาสอนใจตัวเองนะ<า>อ่าเชิญอยากดูถูกคนค่ะบางคนคิดว่าใครเป็นมุกมันไม่ฉลาดค่ะแต่คนตาชอบมองแค่ภายนอกค่ะให้งงกันคะ แล้วแล้วเป็นไงควายมันชลาดเป็นยังไงช่วยช่วยเล่าหน่อยคื อ, อตุ่นนองสายตาเขาแล้วแบบเขาซึ้งค่ะความจริงใจค่ะอืมคนเราความจริงใจเท่านั้นค่ะแล้วความแต่ใจดีค่ะเราคิดดีทาดีค่ะความจะปกป้องเราค่ะอืมมีอะไรไหม <c oughs> ย่ยคิดจากควาย แล้วเราก็ต้องมีคุณประโยชน์อย่างควายบ้างหรือยิ่งกว่าควายใช่ไหมต้องทาประโยชน์ช น, นก็อย่างที่เขาบอกเนี่งพืชศุภการสอนอีกคุณชรนอันปรบปรุงใช่ไหมโททนเสน่งคงสาคัญหมายในกายในการมีก็คือว่าเนี่ยเาก็สอนว่าให้เราเนี่ยขนาดวัวควายเนี่ยยังมีประโยชน์นะเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยนะต้องทำประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าควายนะพืชประการสอนเนี่ยจำได้ไหมโคงลกนิด ฮะอ่าพืชศพแปลว่าวัวมีไหมเหมือนเหมือนคนน่อยใจร้ายเหน่อยนะคะความเหนื่อยยากเสติดอาไเนี่ยค่ะมันก็สื่ก็สึ่เข้าได้นะแต่ว่าคนคนคนดีก็ดูเหมือนแบก็เอาเขียบเขาอยู่ตลอดเวลา เราที่ควรจะเอาเพียซึ่งกันและกันเพราจะเป็นการเปรนเพือสารอนไรแบบนี้ค่ะที่เราอุทธรณ์สอดใจก็ในไหนเขาเขาเกิดมาแบบนี้แล้วเนี่ย่จริงต้องเถอเขาโชคดีนะเพราะเขาไม่ถูกบังคับให้ถูกฆ่าหรือถูกบังคับให้ไถนานะก็แค่วันๆแค่มาเดินโชว์ให้เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นควายจริงเนี่ยโหต้องไถนานะแต่มาแต่แมวเอ้ควายเขาก็ บางทีก็เต็มใจนะคนที่เลี้ยงควายเน่ยเขต้องรู้ว่าควายจะมีบุญคุณและควายก็เต็มใจที่จะทําแล้วแล้วเขาก็ตอบแทนบุญคุณควายวันพระก็ให้หยุดวันศีงก็ให้หยุดงานอะไรเงี้ยพอแก่ชราก็แทนที่จะส่งเข้าโรงฆ่าสาัตว์ก็เลีย้ยงจนตายตายเสร็จทําวงศุกรอีกนะจนสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาทำวงศุกรนะให้ให้ควายเพราะเขามีสําเนียบุญคุณ มีแง่ทอย่างอื่นไหมก็แสดงทำให้เราเห็นนะเชิญอืมอ่าเชิญก็ถ้าพี่เห็นนะคะก็มองทั้งแต่เรารอยเชื่อต่อี่ ถ้า ม, มีการยนเชื่อวัน ก, ก็คุมไม่ได้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับค น, นเราเนี่วลาที่เรามองเรามองเลยนี่เราไม่มีสติเลยรับขึ้นมามันเต็มคุมมันไม่ได้เลยสายที่ต า, ตามมันเหมือนเหมือนกับที่พาทารย์พูดช่วงเท้าอันนี้จะท้าที่เกี่ยวกับส่วนของร่างกายส่วขอ ง, ของททททททเท้า ท, าที่เหมือนกันเดินตอนแรกจะเหตุเพราะขาดสติหือพออาจารย์พูดช่วงบา่าย ก็เดึงได้พอพระอาารพาเดินในวันเพิ่มขึ้นพอมีสติเข้าไปปุ๊บมันก็เหมือนกับเอเราแค่รู้เท่นั้นเองว่ามันเจ็แต่มันก็ไม่ได้มียาสำหรับที่จะทําให้เราแบบเอ่ยเดินเหมือนจมวันแรกก็จะมองไม่เห็นว่าความสําคัสที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตาที่เราเห็นกับความรู้สึกที่เราเห็นจาก่างฟานนั้นถ้าไม่มีสติ เราก็พร้อมจะไหลจอกับมันได้ทันทีแม้เป็นเห็น่วายที่เข้ามาลบกับผู้เลี้ยงความรู้สึกก็อาจจะดูน่าอึดอัดแต่จะแน่นริงมันก็เหมือนเหมือนกับการผกรวงกันมีความสำคัญในแง่ของความคุ้มพอใจแต่ถ้าเราปล่อยนไปเรื่อยๆความคุ้มพอใจมันก็จะเป็นเชื่อที่ผูกมาเพราะฉะนั้นพูดใสิ่งที่ว่าเห็นก็คือที่มากระทันหนที่เห็นเน ใค่เเป็นเรื่องสติที่เกี่ยวข้องกับที่เรามัะทุษผ่านสายตาของเราางของเราชวนการของเราสัมผัสลายนท่งทาที่เือที่เห็นกันค่ะแต่จริงๆแล้วความน่าติดอยูกับภวังทั้งหัวองเราทั้งหมดจะนได้ไหมตาหูมหิ้นกายแทั้งหมดเองค์ที่ใา วอพน้างานพูดให้เรารู้สึกต pues ต mm ีพออาสติเข้าไปจากทั้งหมดมันจะมีความทันขึ้นเราวางอารมณนได้เหมือนเหมือนกับบางครั้งเนี่ยที่เราฟังวิทยากรพูดมันมีเสียงยแย่ๆมากเลยแต่ถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าฟังวิทยากรไม่จัดในความได้ยากแต่พอใส่สติเข้าไปจาการฟังเนี่ยเราจะจัดในความตื่นที่วิทยากรพูดไดู้ีมาก มีนะสิ่งที่ได้รับจาดการปฏิบัติท่านนี้ก็เกือบจะพวกผู้ตั้งเลยค่ะแต่ก็ขอพูดแค่นี้ค่ะขอบคุณสติเนี่ยมันดึงจิตให้มาอยู่กับอารมณ์อารมณ์ที่อาจจะเป็นเสียงอาจจะเป็นรูปเช่นอ่านหนังสือเสียงที่บรรยายหรือว่าอาหารที่กําลังกินจิตเนี่ยมันก็จะแสสายจะต้องมีสิ่งที่จะจูงจิตให้มา อยู่กับอารมณ์ภาษาธรรมหมว่าอารมณ์รู ป, ปรกู้จิตเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์นี่ก็จะว่าอารมณ์ยังงเนี่ยสตนยินี่บางก็เปรียบได้เหมือนกับเชือกนะควายเนี่ยเปรียบได้กับจิตนะเวลาจะให้ควายเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเนี่ยนะก็ต้องคนก็ทำงานก็ต้องผูกเชือกเอาไว้กับหลัก คนต้องการให้เราเห็นหคาวายเผื่อมาที่มันนวดข้าวนะมันก็ไปได้ในการก็เดินไปอยู่รอบๆรอบๆหลักที่นั่นะเขาเปรียบการฝึกจิตนะด้วยสติเนี่ยเหมือนกับการที่ควายเนี่ยถูกผูกไว้กับหลักนะแล้วควา ย, ยพอมันมีเชือกผูกไว้กับหลักเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนมันก็ทีแรกมันก็เดิ น, นวนรอบๆ เดินไม่สักพักมก็ร่วมไปไหนไม่ได้มันก็นั่งมันก็นิ่งจิตที่นิ่งก็เหมือนกับจิตควายที่นิ่งก็เหมือนกับจิตที่มีสมาธิที่มีสมาธิได้เพราะว่าเพราะว่ามันมีเชือกผูกไว้กับหลักเชือกนั่นคือสติหลักก็คืออาจจะเป็นลมหายใจหรืออารมณ์อารมณ์นี่คือคือเสียงที่ได้ยินหนังสือที่กําลังอ่านเนี่ย นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดของเราเนี่ยถ้าเราลองฝึกนะให้มันรู้จักอยู่นิ่งๆนะเหมือนควายที่ถูกผูกไว้ด้วยเชือกที่ตรึงไว้กับหลักเนี่ยนะเราก็จะสามารถนิ่งได้แล้วความมันนิ่งมากนะสังเกตไหมแม้มันจะไม่มีไม่มีเชือกผูกมันก็ยังนิ่งอยู่นะเจ้าตู้เนี่ยอยู่ท้องสูงเนี่ยให้เราถ่ายรูปเนี่เป็นลูกเกียรถถ์ที่ยังนิ่งอย่างไรนะมาทำนี่ได้ไหม หมาจะไม่ได้นะถ่ายรูปนานามันก็วิ่งหนีแล้วได้ง่ยียแคไหมาธรรมะสักสข้อหนึ่งอาเชิญออวันนี้นะคะสังเกตเห็นก็คือคิดได้ก็คิดว่าสมัยก่อนควายกับคนเนี่ยโดยเฉพาะกับคนไทยมีความสำคัญมากเขามีความมีประโยชน์มีคุณ เราทียบไดว่าเราอาจจะนาถึงเขาเลยอย่างว่าเขาสะสมประโยชน์อะไรที่แบนี้วันนี้พวกเราทอดิ้งเขาแล้วก็เปลี่นอย่างอื่นดีกว่าบทบาทของเขาน้อยลงเติมพวกเราไม่ฆ่าเขากินเขาดูแลเขที่ดีบางเนี้ยมันก็หมายถึงทอดทิถ้าเปียกได้ก็เป่น คนเราอะเติบมามันคงมีโชงชีวิตหนึ่งที่เราเคยประสบความสำเร็ยเคยทําอะไรไปได้เป็นหกถึงวันนึงที่เราไปรหรือว่าเราไรประโยชน์แล้เนี่ยก็คงก็งเหมือนปลายทุกวันนี้ค่ะว่ามันไรประโยชนแล้วแต่จริงๆถ้าพลิกขึ้นมาอีกทีนี่ถ้าคุณคิดดีคุณจะเห็นในความที่มันแย่ yeah. ที่มานดูดีแต่แวนวันนี้บ้านควายเนี่ยทาให้พวกเราเห็นคุณค่าของเขามีแน่ว่าให้ความบันเิงแล้วเราก็รู้สึกซาบ้ามากแล้วาก็บอว่าทำให้ควายได้ดูดีขึ้นมาเลย <c oughs> เราไม่ได้นึกว่าเขาเขาตัดต่อยอะไรเลยแล้วพขาก็ขอบคุณบ้านควายที่นี่นะพี่ที่ดูแลควายได้สวยมากๆเอยไม่เคยนึกว่าควาย ได้ขนาดี่ไม่เคยได้บุกไปถูตมันดูน่ารักน่าตับดูน่าะนุคคลสงคือดูพี่สัขอบคุณบ้านไปที่เรียนจริง่ะคุณหน้าคงมานึ่งทางขอบคุณทางอ็นขึ้นางก็ต้องมดธนาด้วยมีประเด็นหนึ่งที่ตมมาคือว่าหน้ามองนะคือควายเนี่ยตัวมันใหญ่แล้วแรงมันก็เยอะนะมนุษย์เราเนี่ยนะแรงชูควายได้ไหม บางทีเด Det ็กเนียเด็กสิบขวบเนี forever, ่ยก็สามารถที่จะตูงควายไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมคือควายเนี่ยมันมีพลักกำลังเยอะช้างช้างยิ่งยิ่งชันใหญ่ช้างตัวใหญ่คนเยอะเลยนะแต่ว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะบังคับช้างได้เพราะอะไรควายมันมีจุดอ่อนตรงไหนควายมีส่วนตรงไหนตรงสนตรตตรงจมูก พอสนตภายเสร็จนี่มัน ม, มันก็เสร็จเลยใช่ไหมนะกิเลสเนี่ยนะกิเลสเนี่ยนะมันก็มีพลังกำลังนะใช่ไหมแต่มันก็มีจุดอ่อนถ้าเราจับจุดอ่อนของมันได้เนี่ยเราก็สามารถจะคุมกิเลสได้นะบางทีเราก็เปรียบกิเลสมันกับมารนะก็จะกิเลสสมาน ในในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับมารพญา ม, มาร น, น, นะนะที่มาหลอกมาล่อมาคู่มาลวงตั้งแต่พุทเจ้าลงมาเนี่ยพระโมคคัลานากะก็โดนพระปฏิบัติปฏิบัติชอบพิสุพิษุณีหรือพระโดยว่าพระที่กำลังปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหรือผู้ที่กำลังบาเพ็ญความเพียรเนี่ยกิดมานี่จะมามาหลอกมาลอ่อมาทําให้กลัวมาชวนให้หลง เช่นอย่างพระสมิทธิ์เนี่ยนะท่านกําลังทําความเพียเพรเนี่ยบอกว่าแผ่นดินไหวโอ้ตกใจมากนะท่านหนีเลยนะกลับไปเชตวันผู้เจ้าก็ถามพอได้พอได้เรื่องเนี่ยผู้เจ้าก็บอกว่าเนี่ยอุบายของมานถ้าทํายังไงอ่าผมมานี่ ม, นมันเยอะนะผู้เจ้าก็บอกว่าเนี่ยให้บอกกับมารว่ามาร น, นะมานผู้มีบาปเรารู้จักท่านแล้ว ท่านยันดิ้งว่าเราไม่รู้จักท่านเนีู่ดจา ก, ก็แ น, นะให้พระสมิทธิไปไปพูดอย่างนี้แหละพอมามาเอางนนะขู่ให้ตกใจกลัวพรสมิทธิ์ทีก็พูดเลยนะมาเรารู้จักท่านแล้วจุดอ่อนของมาคืออะไรคือมันกลัวคนรู้ธรรมนะพอพูดแค่นี้มาเนี่ยตกใจหนีเลยนะมีคราวนึงนะไปเข้าไปเข้าท้องพระมกขลานแะ โอโหสร้างความปางปวดมากเลยพระมหาคารนะท่านมีฤทธิ์เยอยนะท่านใช้ฤทธิ์ยังไงเอาเอาเอาเอาท่านก็จัดการกความปวดไม่ได้พอแต่พอท่านรู้ว่ามาจะมาขวนนะท่านก็บอกเลยมาผูม้มีบากรารู้จักท่านแล้วท่านอย่รู้ว่าเราไม่รู้จักท่านมานี่มันหมดเลยนะมันยอมแพ้เลยนะมานี่จะมาหลายแบบบางทีก็มาเป็นรูปของคนที่แม้ท่ามาชวนให้ผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้ากำลัง กำลังทําความเพียรเนี่ยมารก็มาบอกนะว่าท่านอะทําทําไมท่านอะเป็นคนที่สร้างบุญกุศลมาเยอะแล้วบุญของท่านอะเยอะแล้วกลับไปเธอไปซ้านะไปไม่ต้องมาทําความเพียรหรอกผู้เจ้าก็บอกว่าอันนี้ผู้เจ้าไม่ไม่ใช้วิธีอื่นนะผู้เจ้าก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มาทําความเพียรเพื่อบุญกุศลนะเรามาทําความเพียรเพื่อการพ้นทุกข์นะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่ง แต่ว่ามีก็มีหลายครั้งที่ผู้เจ้าเนี่ยบางทีมารเนี่ยไปเข้าไปเข้าสิงเทวดาแล้วก็มาป่วนผู้เจ้านะผู้เจ้าก็บอกเนี่ยมารผู้มีบากรารู้จักเจ้าแล้กระู้จักท่านแล้วท่านอย่ารู้อย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านมารก็ยอมถอยเลยมารเนี่ยมีพลังมากมีมีมีมีฤทธิมมม์มากนะแต่ว่าจุดอ่อนก็คือเนี่ยนะที่จริงกิเลสทั้งหลายก็มีจุดอ่อนนะก็คือมัน เหมือนกับมากนะ็คือมันกลัวการรู้ทันเวลามีความโกรธเวลามีความเกลียดเวลามีความโกรธเนี่ยลองให้มีสติรู้ทันมันนะมันก็จะจะล่าถอยไปอันนี้คือจุดอ่อนนะเพราะนั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรารู้ว่ากิเลสมมีจุดอ่อนเนี่ยตรงนี้พยายามใช้ใช้อะไรใช้สติให้รู้ทันนะไม่ต้องใช้ฤทธิ์นะใช้ฤทธิ์นี่สู้สู้สู้ ส, สู้พยายามมาไม่ได้นะ ขณะพระโมคลาน้นี่ยังยังเอาอยัางเร่งยังจัดการกับมาไม่ได้นะแต่พอท่านพูดแค่นี้พยายามมาเนี่ ย, พ ย, าานนยแพ้เลยกิเลสนะที่มันสร้างความปานปวดในใจทำให้เราทุกข์เนี่ยนะมันมีจุดอ่อนตรงนี้มันแพ้สตินะมันแพ้ปัญญา ที่มันบางชนิดก็แพ้หรือใ่นเลนเช่นถ้าเป็นความกลัวก็จะแพ้เมตตากรุณาแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะมันจะแพ้สตินะรู้ทันงั้นถ้าเราเรารู้ทันมันนะมันก็จะไม่สามารถคลองใจเราได้เพเพอเราจะคุมคุมมันให้อยู่ในในอำนาจก็ได้เราสามารถจะใช้ใช้กิเลสเนี่ย เพื่อลักกิเลสใช้ตันหาลักตันหาก็ได้ถ้าว่าเราเร า, เรารู้จักจุดอ่อนของมันมันก็มีพระอรหันต์ที่ท่านท่านบรรลุธรรมได้พ่อพกิเลสบางตัวลูกชายลูกชายอนาถปฤติการเนี่ยนแะมวเอาไหนเลยนะพ่อยัเป็นสดาบันแต่ว่าสอลูกไม่ได้ ก็เลยจ้างลูกให้ไปฟังธรรมะจากผู้เจ้าไปก็ไม่ฟังธรรมนะเมือลอยฟังเสร็จเสร็จงานก็มาขอเงินจากพ่อพ่อรู้พ่อพอก็เลยบอกว่าเนี่ยไปข้าหน้าเนี่ยให้ตั้งใจฟังนะว่าผู้เจ้าสอนอะไรแล้วกลับอะไรงานแล้วเดี๋ยวจะได้เงินความอยากได้เงินนะก็ทําให้ตั้งใจฟังฟังไปฟังมาบรรลุธรรมเลยน ะ, นะอันนี้เรียกว่าเรียกว่า เพราะโลภานะถึงเพราะตัณหาเนี่ยถึงบารุธรรมอามีนะหลวงพ่อพูดท่านเคยเล่าในะพระรูปหนึ่งนะสอนสมาธิยังไงไม่ไปเลยไม่เอาเลยนะบอกว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เอานะคือว่าใจไม่ฟุ้ใจมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปเลยมันนึกถึงหน้าแฟนนะนะนึกถึงแฟนเนะี่ยจะให้พูดโธนี่ไม่ได้เลยท่านก็เลยถามว่าแฟนชื่ออะไร สมมติชื่อสมทรงนะเออหายใจเข้าก็สมหายใจออกก็ทรงเหมะัได้ผลนะนิ่งเลยนะคือคือเนี่ยบางทีเราต้องใช้บางทีกินเหล่เนี่ยใช้เป็นประโยชน์นะแต่เราต้องรู้จักรู้จักคุมมันเหมือนควายถ้าเรารว้จุดอ่อนที่ที่จมูกเนียเราก็สวนกระพายมันได้นะพูดถึงเรื่องการ หาประโยชน์จากสิ่งที่เห็นที่แสจนทธรรมดาสามัญเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อกี้ตอนที่ตอพูดตอนตอน้ตนตอนต้นเนี่ย เ, เราพูดเรื่องว่าสัตว์ในละฉานี่ก็ฝึกได้นะที่ทําให้เกิดกำลังใจทําให้พระหลายท่านนี่ท่านบรรลุธรรมเพราะว่าการที่ได้เห็นเห็นสัตว์ถูกฝึกได้มียิ่งกว่านี้นนะสามนเนัรนสุขนะเดินมิรุนาตามพระ สาษาลบุตรไปตอนเช้าผ่านทุ่งนาเห็นชาวชาวนากําลังทดนาำเข้านาเดินไปสักพักเข้าไปในเมืองเห็นช่างไม้กําลังกําลังกําลังดัดไม้เดินไปหน่อยเห็นช่างธนูเนี่ยกำลังดับลูกศรลูกธนูสามเณรสุท่านเกิดความคิดขึ้นมาเลยนะว่าไอสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยน้ําก็ดี ไม้ก็ดีลูกสวนนี้เนี่ยยังฝึกให้ยังฝึกให้มีประโยชน์ได้นะแล้วเราอ่ะซึ่งมีจิตมีใจทำไมจะฝึกไม่ได้โอ้ท่านเห็นขนาดนี้เลยนะแล้วท่านเกิดเกิดเรียกว่าเกิดเกิดไฟนะในการที่จะบำเพ็ญเพียรท่านขอกลับไปที่วิหารเลยนะกลับไปที่เชตวัน ให้พระเสรีบุตรบรินธบาตต่อนะแล้วท่านก็มาทำความเพียรพอาท่านเห็นว่าเนี่ยท่านเห็นว่าเนี่ยเราน่าเราจะต้องฝึกใจของให้ได้แล้วปรากฏว่าพอพระเสรีบุตรกลับมาเนี่ยท่านก็เกิดจะบระรลุธรรมอยู่แล้วนะผู้เจ้าก็เห็นว่าถ้าประวิณเวลาไว้สักหน่อยเนี่ยสามวันสุดก็จะบระรลุธรรมได้ก็เลยก็เลยไปไปขับ ตาทัพไปคุยกับพระสารีบุตรสักพักนึงก็พอหลอที่คุยเนี่ยนะพระสามเณสุก็บรรเยานจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้เลยเป็นที่มาของคาถาธรรมบทชื่อว่าชาวนาไขาน้ำเข้านาช่างไม้นะดัดไม้ส่วนช่างไม้ถากไม้ ต่วนั่งธนูดัดลูกธนูบัณฑิตนั้นฝึกตนนะคือท่านเห็นเนี่ยนะจากจากสิ่งที่มันธรรมดามากเลยน้ำไข่น้ ำ, ข, นำข้านาดัดไม้ดัดลูกศรแต่ท่านเห็นว่าเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้มันยังยังควบคุมมั่งคับหรือว่าดัดแปลงให้มันเป็นประโยชน์ได้และจิตใจเราเนี่ยจะดัดแปลงให้มันให้มันเกิดประโยชน์หรือว่าให้มัน พัฒนาไม่ได้เฉยถคาถาที่ว่าบัณฑิตฝึกตนเนี่ยมาจากเหตุการณ์เนี่ยนะอันนี้เราถ้ามีโยนิสมนสิรการมากมองอะไรเป็นธรรมะได้หมดมองอะไรเนี่ยสอนใจตัวเองได้หมดเดีย๋ยว่าแต่ดีว่าแต่เดีย๋ยว่าแต่สัตว์เลยนะแม้กระทั่งสิ่งของเนี่ยก็สามารถจะให้ธรรมะกับเราได้นะเอาแล้วก็ก็เป็นน้ำจิ้มนะเพื่อให้เราตระหนักว่า ทุกอย่างก็สอนทําเราสอนทําไม้กับเราได้ทั้งนั้นนะอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ว่าเราจะน้องมาใส่ตัวหรือเปล่าโอเปนไนกโกเป็นสิ่งที่ควร น, น้องมาใส่ตัวเอาละเดี๋ยวเราจะาฝึกเรื่องทองเลนนะทองเลนเนี่ยมันเป็นการภาวานาแบบที่เบรดนะชื่อก็บอกอยู่แล้วทองเลนมันไม่เกี่ยวกับโลหะไม่เกี่ยวเงินทองนะ ทองเลนี้แปลว่ารับแล้วก็ให้รับอะไรก็คือรับความทุกข์ของคนที่เราอยากจะช่วยเช่นผู้ป่วยแล้วก็ให้ความสุขชีวีวาคืนกลับไปให้แก่เขาเหล่านั้นการกรรมฐานในพุทธศาสนาเนี่ยก็มีหลายหลายแบบหลายวิธีมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน นอกจากสติปัฏฐานแล้วเนี่ยหรือการเจริญสติแล้วก็มีการเจริญมรณสติเพื่อให้เกิดความไม่ประมาณในชีวิตการเจริญหรือเพิ่มพูนเมตตาในใจเราก็เป็นภาวนาแบบหนึ่งเพื่อศาสนาแั่นทองเลยเนี่ยจัดว่าอยู่ในภาวนาแบบที่ว่าเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาที่เราคุ้นเคยเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะได้แก่การแผแ่เมตตาใช่ไหมสัพเพสัตตาใช่ไหมเราก็ทําแท่ทุกวันเวลาเราไปสวดมนต์ทองเลนเนี่ยเป็นเมตตาพรนช้นหนึ่งที่แตกต่างจากการแผแ่เมตตาที่เราคุ้นเคยแผแ่เมตตาที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราเรานึกหรือเราเอยเป็นคำํำเป็นคําสัพเพสัตตา แต่ทองเลนเนี่ยนึกเป็นภาพหรือจินตนาการนะอันนี้คนที่ไม่คุ้นอาจจะรู้สึกยากหน่อยไม่เหมือนการเอ่ยเป็นคำแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขาจะจินตนาการได้ดีประการที่สองเนี่ยทองเลนเนี่ย่เมตตาพานะนการแผ่เมตตาเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราจะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เลย สัตเพศสัตสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายตเวลาแผแ่เมตตาก็แผ่หมดเลยอาจจะยกเว้นเพื่อนบ้านบางคนหรือว่าเจ้านายนะแต่ทองเลนเนี่ยนะเอาแค่คนเดียวเป็นการแผ่เป็นการให้เมตตาเนี่ยกับคนคนเดียวเช่นคนที่กําลังป่วยนอนอยู่ข้างหน้าเรา การที่สามเนี่ยแผ่เมตตาเนี่ยเราเราแผ่แต่สิ่งดีๆให้กับเขาแต่ทองเลนเนี่ยทำมากกว น, นั้นก็คือว่ารับเอาความทุกข์ของเขาเข้ามาเพื่อช่วยแบ่งเบาหรือลดบรรเทาความทุกข์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทองเลนเนี่ยมันต้องอาศัยใจที่ใหญ่ใหญ่กว่าปกตินะเพราะว่าพร้อมจะรับเอาความทุกข์ของเขามาที่ตัวเราทองเลนเนี่ยมีวัตถุประสงค์ ในการเจริญเมตตาจิตนะแคเป็นจิตที่ใหญ่แต่ขณะเดียวกันก็สามารถจะใช้ในการเยียวยาบรรเทาช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์ได้ทางที่เบย น, นี่ก็มีการใช้ทองเลนเนี่ยเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้คนนะโดยว่าผู้ป่วย ตอนนี้ทงเลนที่อาจามาจะพาชวนพวกเราทำเป็นการเป็นทองเลนแบบประยุกต์นะซึ่งทําให้ง่ายแล้วแล้วก็มุ่งในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเราจับหลักได้เนี่ยเราจะทําให้มันง่ายกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอยากจะให้เราลองทําทองเลนแบบที่อาจามาพาทําก่อนนะแล้วก็ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ย เราจะไปทำให้มันง่ายมันก็ทำได้ไม่ยากตนะอนนี้ อ, อยากให้พวกเราเนี่ยทดลองทำนะด้วยการจับคู่ก็นัดกันตกลงกันว่าใครจะเป็นใครจะสมมุติเป็นผู้ป่วย ใครจะเป็นผู้ทำทองเลนผู้ทำเงินคือผู้นั่งผู้ปวยคือผู้นอนแต่ว่าไม่มีใครเสียเปลี่ยนนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะสลับกัน